ทีนี้มาดูการแสดงอบุคคลเทศนาโดยยกธ ร, รมเป็นที่ตั้งเช่นแสดงว่าดูกรที่สูตรทั้งหลายข้อที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอันนี้คือบุคคลเทศนาใช่ไหมจะพึงยึดถือสังขารรายโดยความเป็นของเที่ยงนั้นะไม่ใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้บุคคลเทศนาคือพระโสดาบันเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าบุคคลเทศนา เป็นไปได้ไหมพระโสดาบันจะยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันเที่ยงน่ะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐินี่เป็นปุคละเทสนาบุคคลเทสนานะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปยึดถือว่าเที่ยงไม่ใช่ฐานนะอันนี้เป็นธรรมมาที่ฐานมีธรรมะเป็นที่ตั้งนัยยะอื่นอีก บุคลาที่ฐานปุคละเทศนากเรียกว่าเป็นบุคคลเทศนาโดยการยกบุคคลเป็นที่ตั้งเช่นแสดงว่าดูกว่าพี่สุทั้งหลายบุคคลคนเดียวเมื่อเกิดขึ้นในโลกอันนี้ขายหมายถึงบุคละเทศนาใช่ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์ เ, ชนเพื่อกูลแก่ชนเป็นอันมา ก, เ พ, ออา ก, ากเพื่อประโยชน์เ พ, เ, เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกลูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย บุคคลเทศนาคือใครคือบุคคลคนเดียวอันนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระองค์เนี่ยเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่ชนเป็นอันมากอันนี้เรียกว่าปุคขาธิฐานคือมีบุคคลเป็นที่ตั้งหมายถึงใครหมายถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อกูลนะเพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์เพื่อประโยชน์เพื่อกลูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่เกิดมาเพื่อความสุขแก่ชนอื่นจริงๆบุคคล น, นั้นก็คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นการแสดงบุคคลบุคคลเทสนาเนี่ยนะบุคคลเทศนาแล้วก็ยกบุคคลเป็นที่ตั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยเพื่อประโยชน์ประโยชน์คืออะไรนะนิพพานเนี่ย น, นะประโยชน์เสมอด้วยนิพพานไม่มี เพื่อเกื้อกูลสิ่งที่จะเกื้อกูลสเสมอด้วยอริยมรรคไม่มีเพื่อความสุขหมายถึงสุขในอริยผลทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเกิดมาเพื่อมรรคผลนิพพานแก่สัตว์จริงๆนะแก่ผู้อื่นจริงๆเพราะว่าพระองค์เกิดขึ้นมาในโลกพระองค์เดียวเนี่ยนะสามัญผลสี่เกิดโสดาปฏิพลดสากท า, าคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลเนี่ยเกิดขึ้น พระองค์เกิดขึ้นมาในโลกนโสดาปฏิมักของสาตว์อื่นเกิดขึ้นนางวิสาขาอนาบินทิกะเป็นต้นก็ได้โสดาปฏิมักนะบุคคลอื่นก็ได้สกอาธาคามิมักบุคคลอื่นอีกก็ได้อนาคามิมักบุคคลอื่นอีกก็ได้อรหัตมักท่านเหล่านั้นเป็นผู้บรรลุถึงประโยชน์คือพระนิพานนั้นการเกิดขึ้นของพระองค์เนี่ยเป็นเหตุให้บรรลุมักผลนิพานบางท่านได้วิชาสามบางท่านได้ปฏิสัมพิธาสี่บางท่านได้ อภิญญาหกเป็นต้นเนี่ยทั้งการเกิดขึ้นของพระองค์เนี่ยเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้นถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนอาจจะได้ประโยชน์เหล่านี้ก็ได้ใช่ไหมได้ประโยชน์ได้ความเพื่อกูลได้ความสุขเหล่านี้นะทว่าตรงๆพระองค์เกิดขึ้นมาในโลกก็เพื่ออนุเคราะห์พวกเราทั้งหลายนั่นแหละต่อไปข้อสุดท้ายว่าปุคลาธิฐานธรรมเทศนาเป็นการแสดงธรรมโดยยกบุคคลเป็นที่ตั้ง เช่นว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายความปรากฏขึ้นแห่งจักสุใหญ่ย่อมมีจักสุนี้เป็นธรรมะใช่ไหมจกักรสุนี้เป็นธรรมเทศนาจากักรสุใหญ่ก็หมายถึงกรรมสกตาและมรรคปัญญาเนี่ยนะมรรคกับปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเพราะความเกิดขึ้นแห่งบุคคลเดียวคือใครพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยทําให้มีกรรมสกตาปัญญาทําให้มี รีปัสนาปัญญาทําให้มีอริยมรรคปัญญาเพราะฉะนั้นทําให้เกิดจกักษุใหญ่จริงๆอย่างเช่นจกักษุใหญ่นี้เป็นธรรมเทศนาบุกความปรากฏขึ้นแห่งบุคคลคนเดียวอันนี้เป็นปุคลาที่ฐานเพราะฉะนั้นพระองค์แสดงทั้งสองอย่างใช่ไหมทั้งอขอไปทั้ง4ี่หัวข้อนะพระองค์แสดงทั้งธรรมมาที่ฐานธรรมเทศนาข้อแรกในชะ่ไหมที่ว่าแสดงคำโดยยกธรำเป็นที่ตั้ง ข้อสองทำมาทิฏฐานปุคละเทศนาแสดงบุคคลโดยยกธรรมะเป็นที่ตั้งสามปุคลาทิฏฐานปุคละเทศนะคือแสดงบุคคลโดยยกบุคคลเป็นที่ตั้งทำมาปุคลาทิฏฐานธรรมเทศนาก็เป็นการแสดงธรรมโดยยกบุคคลเป็นที่ตั้งอันนี้หมายเอาข้อไหนปุคลาทิฏฐานธรรมเทศนาคือข้อสุดท้ายอ่นะข้อสี่นี่แหละ ควรทราบว่าท่านแสดงศัพท์คือธรรมะด้วยสัตตะสัพเพราะมุ่งธรรมะเท่านั้นตั้งแต่ต้นจนถึงหมวดสิบนะนะธรรมะหนึ่งคืออะไรสัเพสตาหารติติกาอันนี้เรียกว่าธรรมเทศนาท่าสองก็ทำสามก็ทำสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทุกข้อเป็นธรรมะหมดเลยนะแต่ข้อแรกเนี่ยเป็นการแสดงธรรมโดยยกบุคคลขึ้นเป็นที่ตั้งที่เรียกว่า สัพเพสาตาอาหารสถิติกาเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งเพิ่งทราบว่าการแสดงสัตว์คือสัตตะโดยวิเศษเพราะพึงเข้าไปไข้ครวนคําว่าสัพเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องเข้าไปพิจารณาเข้าไปไข้ครวนธรรมะอันนับเนื่องในสันดานของสัตว์ได้ตามสภาวะด้วยยาณอันยิ่งอันนี้แหละเป็นสัตว์เนี่ยเราจะต้องเข้าไปวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นสัตว์รูปใช่ไหมเป็นสัตว์ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นใช่ไหมเป็นสัตว์ก็เป็นการเข้าไปวิเคราะห์อนะเข้าไปพิจารณาควรทราบว่าสังขารทั้งหลายท่านกล่าวไว้ด้วยด้วยคําว่าสัตว์โดยพลูประจาระพลูประจาระเนี่ยพูดเรียกว่าใกล้ผลคําพูดใกล้ผลนี่หมายถึงอะไรใกล้ผลใกล้ผลก็หมายถึงเหตุถ้าพูดใกล้เหตุก็หมายถึงผลนั้นใกล้ผลหมายถึงเหตุ โผลอปจาระก็มาจากพระบวกอุปจาระอุปจาระแปล ว, ว่าใกล้ใกล้ผลเพราะฉะนั้นใกล้ผลก็หมายถึงเหตุผลเนี่ยคือสัตว์เหตุคือธรรมะเออคื อ, ค, อคือสังขารสังขารใช่ไหมมันเป็นที่ตั้งแห่งการเรียกว่าเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นคําพูดประเภทนี้เรียกว่าโผลอปจาระพลูปจาระหรือพละผลบวกอุปจาระานั่นนะก็เอาอุเป็นโอเอาอูเป็นโอนะ เพราะเป็นเพียงบัญญัติว่าสัตว์ดังนี้ก็เพราะอาศัยสังขารทั้งหลายสัตว์เนี่ยนะคำว่าสัตว์เนี่ยสภาวะไม่มีสภาวะว่าเป็นสัตว์ไม่มีรอกแต่ว่าอาศัยความที่สังขารประชุมกันโวหารว่าสัตว์จึงมีสัตว์ใรๆชื่อว่าตั้งอยู่ด้วยปัจจัยไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีในที่ไหนนด้วยเพราะฉะนั้นสังขารเท่านั้นแหละที่ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยเนี่ยนะดรงอยู่ด้วยปัจจัย เพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายดำรงอยู่ด้วยปัจจัยหมายถึงสังขารธรรมทุกชนิดดำรงอยู่ด้วยปัจจัยเท่ากับเรียนว่าภพสามกำเนิดสี่คติห้าดำรงอยู่ด้วยปัจจัยหมดเลยแต่ก็มีเพียงสังขารทั้งนั้นนะในที่ไห น, นๆสัตว์มีจริงไหมในนี้มีแต่สังขารแต่ท่านเรียกอย่างนี้ด้วยสามารถแห่งโวหารยาตะปริญญาเป็นอันท่านกล่าวไว้ด้วยคํานี้ด้วยประการชนิด เพราะฉะนั้นคำว่าสัพเพสัตตาหารถิติการหมายถึงยาตะปริญญาอ่ะ น, นะสับนี้นะเฉพาะสับ น, น, นี้เนี่ยสัพเพสัตตาหารถิติการสัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ด้วยอาหารเป็นยาตะปริญญาเพระหมายถึงว่ากําหนดพบสามพร้อมทั้งตัดใจอยะอ่ะ น, นะอย่างเกิดในนรกเนี่ยเพราะอะไรเป็นตัจใจอวิชชาเกิดใช่จึงเกิดในนรกตัณหาเกิดจึงเป็นเหตุให้เกิดในนรก อกุศลกรรมเป็นเหตุทําให้ปฏิสนธิในนรกนั้นอาหารของสัตว์นรกก็ดํารงอยู่แบบอาหารของสัตว์นรกถ้าเป็นมนุษย์อวิชาเกิดทําให้เกิดเป็นมนุษย์เพราะตัณหาเกิดทําให้เกิดเป็นมนุษย์เพราะบุญนําเกิดเนี่ยจึงทำให้เกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องอาศัยอาหารแบบแบบมนุษย์เนี่ยนะแล้วก็เพราะมนุษย์จเจริญเติบโตขึ้นโดยลําดับมั น, นี่อันนี้ก็คือเหตุที่ทําให้เกิดในที่ระกว่ามนุษสัพพุ เอานเนี่ยนร่างกายของเรามันพบไหนพบไหนสุขติหรืออบายสุขติสุขติแล้วพยญาตอยู่ในท้องเรามันอยู่พบไหนตัวมันเป็นอบายแต่มันอาศัยในร่างที่เป็นสุขติสมมติว่าเอาในร่างกายของเราเนี่ยมันพบไหนกันแน่เฉพาะสุขติเฉพาะตัวที่เป็นรีบา ก, กับกรรมมชรูปเท่านั้นนะที่มันเป็นสุขติที่มันเป็นเรียกว่าเป็นผลของบุญเนี่ยนะ ส่วนพยาธที่อยู่เนี่ยมันอันนั้นมันเป็นผลของบาปมันก็แบ่งๆกันอยู่เนี่ยนะอย่างห้องเราที่อยู่เนี่ยมดก็อยู่ปลวกก็อยู่แมลงก็อยู่เราก็อยู่นี่มันภูมิไหนกันแน่ห้องอั้นนะก็สุขติภูมิบ้างอบายภูมิบ้างทีนี้ถ้าลงมาเอียดในร่างกายของเราเนะยพยาธก็ตั้งหลายประเภทอ่ะนะเราก็กินมีชาติมีตั้งหลายกลุ่มเพื่ออาศัยผิวหนังก็กัดกินผิวหนังตายเพื่ออาศัยลำไส้ก็กินลำไส้ตายแล้วเอ็มภูมิไหนกันแน่ เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าภูมิหมายถึงวิบากกับกรรมชรูปเป็นหลักเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นวิบากกรรมชรูปอยู่อยู่ที่ใดที่นั่นก็เรียกว่าเป็นภูมิตามตามวัตถุ น, า น, า น, นั้นๆไปทั้งคําว่าพบทั้งปวงดํารงอยู่ด้วยอาหารถ้ารใครเอาเรื่องนี้ไปตรึกมากๆนะทุกคนดํารงอยู่ด้วยอาหารจริงๆเดชะชานทั้งปวงก็ดํารงอยู่ด้วยอาหารนรกก็ดํารงอยู่ด้วยอาหารเทวดาทั้งหลายก็ดํารงอยู่ด้วยอาหารคือปัจจัย สังขารทุกชนิดในพบทั้งปวงดำรงอยู่ด้วยปัจจัยถ้ากล่าวให้เต็มนะสิ่งที่ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยเนี่ยถามว่าเอาอะไรมามั่นคงเนี่ยนะมีอะไรมั่นคงไหมเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งปวงที่ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น น, นะนะแล้วปัจจัยมันมันไม่ได้รับรองว่าจะต้องแน่นอนเสมอไปใช่ไหมถ้ายิ่งดำรงอยู่ด้วยปัจจัยมากเท่าไหร่ก็ประกาศว่าสิ่งนั้นไม่คงทนเท่านั้นเนี่ยนะมันหมายถึงความไม่เที่ยงเท่านั้น ทันสิ่งใดที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นไม่เที่ยงอั น, นอาศัยการเกิดขึ้นสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะนี่คือปกติของสังขารทั้งหลายเป็นเช่นนั้นแต่สังขารเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งโสกปริเทวะทุกโทมานัสอุปายานนิใช่น้อยสําหรับผู้ที่ไม่เข้าไปทําปริญญาโดยเฉพาะไม่ทําตีรณะปริญญาจนละจนละวิปลาสในวัตถุนั้นถ้าไม่ทํานะ ก็อันนั้นแหละจะเป็นที่ตั้งแห่งโสกกระริเทวะไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นทำหนึ่งที่ควรรู้ยิ่งคือการพี่เรณาสังขารพร้อมทั้งตัจจัยอันนี้ถือว่าสําคัญที่สุดถ้าเราจะฝึกคิดเนี่ยนะรับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งขึ้นมาว่าสิ่งนั้นเกิดจากปัจจัยอะไรอย่างเช่นเราฟังเสียงเนี่ยเสียงเหล่านี้เนี่ยมีอะไรเป็นสมุธฐานนะถ้าในส่วนที่มีจิตเป็นสมุธฐานก็ดังแต่ที่มันดังกระจายได้เท่านี้ก็เพราะมีอุตุเป็นสมุธฐานถ้าอุตุอันหนึ่งมัน เกิดดับขึ้นน่ะเสียงมันก็ไม่กระจายไม่กระจายเท่าที่ควรเพราะมันอาศัยทั้งอุตุด้วยอาศัยทั้งจิตด้วยเพราะฉะนั้นเสียงที่มันดังเนี่ยมันสมุธฐานสองใหญ่ๆเลยนะทั้งจิตสมุธฐานและอุตุสมุธฐานก็วิเคราะห์แล้วตัวเสียงมีกี่รูปแหละแล้วตัวที่สมุธฐานเนี่ยจิตที่เป็นสมุธฐานมีกี่ดวงอันนี้คือที่จะต้องวิเคราะห์ต่อไปอีกเนี่ยนะแล้วอะไรที่มันดํารงอยู่ด้วยปัจจัยแล้ว ตัวเสียงเนี่ยตรงๆแล้วมันดำรงอยู่ด้วยอะไรดำรงอยู่ด้วยมหาพูดมหาพูดอันนั้นดำรงอยู่ด้วยอะไรด้วยจิตจิตเนี่ยนะจิตอันนั้นดำรงอยู่ด้วยอะไรด้วยนามกับรูปแล้วนามบางอย่างดำรงอยู่ด้วยอะไรวัตถุกับอารมณ์แล้วอารมณ์มันดำรงอยู่ด้วยอะไรมันก็อยู่ด้วยปัจจัยแล้ววัตถุมันก็ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยของมันไล่ไปไล่มามันอาพึ่งพิงกันตลอดนะระบบใดที่มันพึ่งพิงกันมากขนาดนี้ถ้ามันเสียจุดเดียวล่ะ นะเสียหายหมดเลยใช่ไหมได้มาพิจารณาธรรมสองที่ควรรู้ยิ่งคือสังคตะธาตุกับสังคตะธาตุอันนี้กว้างกว่ายาตะปริญญานะแต่ถ้าคำว่าสัพเพสาตาหาติติกาเนี่ยใช่ยาตะปริญญาแต่ถ้ า, าธาตุสองและกว้างกว่านั้นกว้างกว่ายาตะปริญญาเพราะสังคตะธาตุคือธาตุที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งหมายถึงอะไรขันห้าอันตัดจจัยเป็นอเนกปรุงแต่ง อเนกะแปลว่าไม่ใช่หนึ่งขันห้าไม่ได้ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นขันห้าดำรงอยู่ด้วยปัจจัยเยอะเรียกว่าสังคตะธาตุธาตุที่ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยกับธาตุที่ไม่ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยคือพระนิพานพระนิพานนั้นอันปัจจัยอะไรอะไรตรุงแต่งไม่ได้แล้วจึงชื่อว่าอสังคตะธาตุพระนิพานนี่แหละเป็นที่สลัดออกจากสังคตะธาตุมาดูธาตุสามเลยนะ ท่าสองก็ไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมสังคตะกับอสังคตะเรียนอย่างนี้ไม่ยากแต่เห็นยากอาสังคตะนี่เห็นยากมากเลยนะสงบประณีดละเอียดลึกซึ้งเนี่ยนะส่วนทาสามท่าสามควรรู้ยิ่งก็คือการมทาทารูปธาตุอารูปธาตุท่านี้ก็ยาตะปริญญาก็ไม่มีปัญหานะ บรรดาธาตุทั้งสามนั้นกามธาตุเป็นไฉนะในเบื้องต่ำ ม, มีอเวจีนรกเป็นที่สุดในเบื้องบนมีปรินิมิต ว, วัสวัตดีเป็นเทวโลกเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นขันธาตุอายตนะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่ท่องเที่ยวไปในระหว่างนี้ที่นับเนื่องในระหว่างนี้นี้เรียกว่ากามธาตุ